ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วหน้า631ย่อหน้าล่างพูดถึงการปฏิบัติในจารีตศีลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเพง่ทราบการปฏิบัติอย่างนี้คือเมื่อวานเราได้พูดถึงวารีตศีลก็คือการละการงดการเวน้นเว้นจากอากุโส ล, ลกรรมบททั้งหลายทีนี้มาดูว่า การปฏิบัติที่เป็นจารีตสิ่งที่จะต้องประพฤติต้องปฏิบัติต้องทําขึ้นเป็นอย่างไรก็คือการกระทําอภิวาทกาลยานมิตรอภิวาทนั้นโดยสัตว์แปล ว, ว่าการกราบเนี่ยนะการกราบด้วยความเคารพนอบนบ้อมการต้อนรับเนี่ยนะต้อนรับก็คือเช่นการลุกขึ้นยืนรับเป็นต้น น, นะถ้าเรานั่งอยู่กาลยานมิตรหมายถึงผู้ที่อยู่ในฐานะครูบาอาจารย์เดินมาเราก็ต้องลุกขึ้นต้อนรับ อัญชลีกรรมคือยกมือประนมมือสินิ้วอันรุ่งเรืองทําสามีจีกรรมการประพฤติ ช, ชอบมีการาต้อนรับมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกว่าช่วยดูแลช่วยสมัยใหม่คำว่าเทคแคร์นะช่วยดูแลช่วยการต้อนรับเชื้อเชิญทําทุกอย่างนั่นเองให้แก่กัลยาณมิตรผู้ดำรงอยู่ในฐานะของครูตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเป็นจารีที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะว่า ผู้ที่เป็นกัลยาณนะมิตรเนี่ยนะกัลยาณนะแปลว่าดีมิตรคือผู้ที่นําประโยชน์มาให้เราคําว่ามิตรนี้โดยศัพท์นี้แปลว่ามิตรก็มาจากเมตตาเมตตานั้นแปลว่าลักษณะบุคคลผู้น้อมนําประโยชน์และความสุขมาให้เราผู้ใดที่น้อมนําประโยชน์และความสุขมาให้แก่เราสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องกราบต้อนรับทําอัญชลีกรรมสามีจิกรรมกา ร, รประพฤติปฏิบัติที่ชอบที่สมควร แกะกัละยาณมิตรผู้ดำรงอยู่ในฐานะแห่งความเป็นครูต่อไปต้องทรมนุบารุงกัละยาณมิตรนั้นตลอดเวลาก็ถือถือการบารงุงถือการอุปถาก ค, ครูบาอาจารย์นั้นตลอดตลอดไปเนี่ยนะแล้วก็ทำการช่วยเหลือคนไข้ทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นจารีตอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าหากว่าคนที่ช่วยเหลือตัวเองถ้า ท่านไม่ช่วยและใครจะช่วยใช่ไหมแต่อย่างคนป่วยคนไข้เนี่ยนะโดยเฉพาะครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งพ่อแม่เป็นต้นผู้มีพระคุณพี่ป้านนะ้าอาผู้มีพระคุณทั้งหลายถ้าไม่ช่วยและใครจะช่วยนี้พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้ช่วยเฉพาะแค่ญาติยังช่วยเหลือคนอื่นอีกต่อไป ฟังบทสุภาษิตแล้วทำสาธุการก็คืออนุโมทนาเมื่อผู้อื่นกล่าวถูกต้องนะสาธุแล้วว่าดีแล้วทำอาการที่บอกว่านั่นเป็นความดีนั่นเป็นความถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่ควรแก่การสันเสริญว่าสาธุขออนุโมทนาด้วยเหมือนงงั้นถ้าหากว่าผู้ใดกล่าวคำที่เป็นสุภาษิตทันนาคุณของผู้มีคุณธรรมเป็นคนที่สรรเสริญคนที่มีคุณธรรมทั้งหลาย ตามความเป็นจริงคือไม่มีการตรณีในคุณธรรมผู้ใดมีคุณงามความดีเช่นใดก็ยกย่องคุณงามความดีของเขาเช่นนั้นเช่นว่าเขาเป็นผู้มีศีลก็ชื่นชมอนุโมทนายกย่องในความเป็นผู้มีศีลเขาเป็นผู้มีสุตาก็ยกย่องในความเป็นผู้มีสุตาะเข า, เ ม, า, เขามีจา่ะมีสติมีปัญญาก็ยกย่องในคุณธรรมเหล่านั้นเขาเป็นผู้ที่ บำรุงอุปถากเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ควรแก่การยกย่องเขาในสถานะนั้นๆฐานะนั้นๆตามเป็นจริงก็คือไม่ตรณีไม่ถีเหนียวในการยกย่องชมเชยในคุณงามความดีของผู้อื่นเพราะถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ตรณีต่อคำชมตรณีต่อการยกย่อง พระองค์จะช่วยให้คนอื่นถึงสารนคมได้อย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นมีศินได้อย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรคผลได้อย่างไรเนื่องจากพระองค์โดยพื้นเพแล้วเป็นคนไม่ตรหนีในการชมเชยยกย่องผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายไม่ว่าผู้นั้นจะรักอเวนจากกุศลกรรมบทรักษากุศ ล, ลกรรมบ ท, ราารมบทหรือประพฤติปฏิบัติตามมงคนเป็นต้นก็มีการยกย่องชมเชยสรรเสริญเนี่ยนะทั้งต่อหน้าและรับหลัง อดทนในการทำความเสียหายของคนอื่นเพราะว่าอยู่ในโลกเนี่ยนะเวลาเดินผ่านกรงสุนัขเนี่ยสุนัขมันจะสาทุเลยไหมไม่มันก็เห่าหอนบ้างก็ทำไงอดทนใช่ไหมพูดถึงถ้ายุงมันกวนมากๆนี่ทำไงโกรธยุงเลยเอา้าวถ้าฤดูบางฤดูการแมลงวันมันเยอะมันก็ไต่ตอมบ้างฉันใดที่ใดมีคน่านก็ฉันนั้นเนี่ยนะทีนี้เราจะไปถือโทษโกรธคนทานได้อย่างไร โรแล้วมีประโยชน์อะไรเป็นต้นพันคนอื่นเขาจะสร้างความเสียหายให้สร้างความลำบากใจให้ก็ไม่ไม่เก็บเอามาคิดเนี่ยเรียกว่าอดทนคำว่าอดทนในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโทสะเครียดไม่ใช่แปลว่าไม่เก็บเอามาใส่ใจเนี่ยนะไม่รู้มีประโยชน์ตรงไหนพันผู้อื่นจะทาความเสียหายให้ก็ทาใจได้รหมือนกัน ระลึกถึงผู้ทำอุปการะอยู่เสมอระลึกถึงว่าเออผู้นี้เป็นผู้มีอุปการะต่อเราผู้นี้ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อต่อเราเนี่ยนะอย่างที่บางท่านใช้คำว่าแม้แต่น้ำอึกเดียวก็ไม่ลืมพระคุณเนี่ยนะลักษณะนั้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญในคำว่าเข้าไปอาศัยร่มเงาแห่งต้นไม้ใดก็ไม่หักกิ่งหรือไม่ทำลายไม่ปุสสายต้นไม้นั้นฉันนั้นก็เรียกว่าระลึกถึงผู้มีอุปการะคุณอยู่เสมอ รกนะว่าลักษณะเป็นผู้ที่มีกตัญญูกะตะเวทีนั่นเองและอนุโมทนาบุญของผู้อื่นนนะว่าเขามีบุญมีกุศลมีคุณงามความดีที่สัตว์อื่นได้กระทำอย่างวันวันหนึ่งถ้าเรามาคิดให้ดีๆเนี่ยนะเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเทศกาลที่เขาทำบุญกันมากสวดมนต์ตั้งแต่ีสมตีสีไล่ไปถึง3าสี่ทุ่มเนี่ยนะก็มีการทำบุญบางทีวางแหงก็ทาบุญตลอดคืนยันรุ่ง ถ้าจะกล่าวไปแล้วถ้าใครยินดีที่จะเจริญอนุโมทนาใหม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะเทศกาลเข้าพรรษาเวลาไหนก็มีการสวดมนต์้าเช้าจะส า, ายจะบ่ายจะค่ำมันมีสวดมนต์หมดอะอนุโมทนาได้เลยว่าเขามีการยกย่องสนรเสริญคุณของ รัตน์ไตรมีการให้ทานเนี่ยนะตื่นเช้ามาบ้านเราเมืองเราเนี่ยมีการให้ทานขนาดไหนมีการรักษาศีลคนที่เหล่าเมายาเมาเก้าเดือนเว้นสามเดือนก็ยังดีเป็นต้นนี่ยนว่ามีการเล่าเว้นบ้างนะบางคนก็ทําบาปฆ่าสัตว์เป็นต้นก็เว้นในช่วงนี้บ้างก็ยังดีก็อนุโมทนาที่เขาให้ทานอนุโมทนาที่เขารักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตากรุณา หรือว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาชื่นชมในคุณงามความดีบุญกุศลที่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันกระว่าอนุโมทนาในบุญกุศลนี้น้อมอนุโมทนาได้โดยเฉพาะใครที่ไปประเทศประเทศที่มีที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรือง แต่อนุโมทนาในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าที่ประกาศธรรมณนะที่นั้ น, น, นอนุโมทนาในความเป็นธรรมดีของพระธรรมเชื่นชมอนุโมทนาในความปฏิบัติดีของเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติงั้นเราก็ชื่นชมอนุโมทนาเพราะว่าหลายๆอย่างเราไม่สามารถจะทําเองได้เช่นนั้นเราทําได้เหมือ น, อนานาธรมไหมก็ทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้แต่เราอยากได้บุญแบบนั้นเราทํำยังไง ก, ก็อนุโมทนาเอาสิเขามีคนเขาทำบุญที่เราอยากทำอย่างนั้นอะ่ะแต่เราทำไม่ได้ก็อนุโมทนาเอาอนุโมทนาชื่นชมในบุญกุศลคุณงามความดีแล้วก็น้อมบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดจากการให้ทานรักษาศีล น, น้อมบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาน้อมบุญที่เกิดจากการสร้างบารมีของตนเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อการตรัสรู้โดยชอบซึ่งอริยสัจธรรมทั้งหลายโดยถูกต้องโดยลําพังพระองค์เองและมีความรู้มีความสามารถในการน้อมนํอาอริยสัตว์มาประกาศเปิดเผยแต่งตั้งบัญญัติธรรมให้เติ้นเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นนั่นเองเนะมันก็น้อมนาบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างที่ทําเพื่อให้ตัวเองได้มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วจะช่วยผู้อื่นให้กําหนดรู้ในกองทุกข จะช่วยให้ผู้อื่นละบาปละอกุศลนะละสิ่งที่มีโทษทั้งหลายละให้เขาละอกุศลกรรมบทจนถึงละสกายะทิฐิวิจิกิจฉาละสมุทัยศาสตร์ทั้งหลายน้อมนําให้เขานี่ได้แทงตลอดพระนิพพานช่วยเหลือเขาในการเจริญโพธิปักริยธรรมทั้งหลายนั้นก็น้อมนําบุญของตนเนี่ยเพื่อให้มีปัญญาจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในกุศลธรรมตลอดเวลาคือท่านถือเอาภาระในการเจริญกุศลเป็นเป็นกิจกรรมหลักของชีวิตเนี่ยนะชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดดำรงใดที่ไหนเมื่อไหร่ ถือการไม่ประมาทในการเจริญกุศลธรรมเป็นสาระถือว่าการให้ทานเป็นสาระแห่งชีวิตถือว่าการรักษาศีลเนี่ยเป็นสาระถือว่าการเจริญสมถาวิปัสสนาการฟังธรรมการแสดงธรรมการปรับความเห็นให้ตรงตามกรรมและผลของกรรมเป็นต้นถือว่าเป็นสาระเรียกว่าไม่ประมาทในศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ประมาทในบารมีทั้งหลาย เมื่อมีโทษคือคนเราเกิดมามันก็มีการทำความผิดพลาดบ้างไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางกายผิดพลาดทางวาจาหรือผิดพลาดทางใจก็เห็นโทษโดยความเป็นโทษบอกแจ้งเปิดเผยแก่สหธรรมิกเช่นนั้นตามความเป็นจริงก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยมีความไม่ดีมีความเลวในส่วนตัวแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตั้งใจบาเพ็ญสัมมาปฏิบัติให้ให้เป็นไปยอย่างชอบเนี่ยนะ ก็เหมือนอย่างว่าเมื่อทําทรัพย์ตกก็ต้องเก็บยังไงก็เก็บคืนเก็บคืนแล้วก็เย็บให้มันดีขึ้นปกปักรักษาไม่ให้ทรั์ทั้งหลายนี่มันร่วงฉั้ขนขณะที่เราละเมิดบาปเผลอเป็นบาปแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ก็เหมือนกับการทําอริยะทรัพย์หายทําศีลให้ตกหล่นทําศีลทําศรัทธาทำวิริยะสติหรือทําโพธิปัจจะธรรมให้เสื่อมเสียเมื่อเห็นว่าเออคุณสธรรมเหล่านั้นตกร่วงตกหล่นไปก็เก็บเอาเนี่ยนะ คือเมื่อใดเนาะที่ที่เราทั้งหลายเห็นว่าทรัพย์ที่ อ, อริยทรัพย์ะนะที่เป็นบาปอากุศลเหมือนก็ทำทำเพชรหายทําแก้วแหวนเงินทองที่มีราคาที่สุดของเราเราถือว่าดีที่สุดหายแล้วรีบเก็บมาคืนรีบตั้งมั่นให้มันได้อย่างเดิมตามคืนเมื่อนั้นก็จะเจริญงอกงามเป็นแน่มาอันหนึ่งเมื่อควรทําสิ่งเป็นประโยชน์อันสมควรแก่ตนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย คือเห็นเลยว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งใดที่เป็นความดีนำมาซึ่งประโยชน์โลกนี้แห่งสัตว์นำมาซึ่งประโยชน์โลกหน้าแก่สัตว์หรือสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ถึงประโยชน์อย่างยิ่งเห็นเลยว่าตัวเองนั้นสามารถช่วยประโยชน์สามให้แก่เขาได้นะช่วยเหลือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและช่วยเหลือประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่เขาได้ก็เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้านและก็เป็นสหายในการร่วมทํากุศลแลรทำนั้นๆเนี่ยนะเป็นสหายในการร่วมเจริญบุญเจริญกุศลเรียกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นมิตรกับทุกคนเมื่อเป็นมิตรกับทุกคนเนี่ยเป็นสหายแห่งการให้ทาน เนี่ยนะคเมื่อให้ทานก็เป็นสหายกับเขาเป็นสหายในการให้ทานรักษาศีลเป็นสหายในการเจริญบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าเห็นว่าการเจริญบุญกุศลคุณงามความดีนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขอันหนึ่งเมื่อทุกมีความเจ็บป่วยเป็นต้นเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นผู้จัด ก, การช่วยเหลือตามสมควรคือมองเห็นความเจ็บป่วยถือว่าเป็นภาระของตนเนี่ยนะ ซึ่งบางคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนมีความเจ็บป่วยก็รับผิดชอบน้อมมาเป็นภาระของตนช่วยเหลือเหมือนกับตนนี่เป็นญาติคนหนึ่งเป็นญาติคนหนึ่งที่คอยเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาแต่ว่าหลักการในการช่วยเหลือโดยเฉพาะยุคนี้ศึกษาหน่อยนะว่าช่วยเหลืออย่างไรโดยที่ไม่มีโทษกลับมาต้องต้องศึกษาต้องปรับความรู้ปรับความเข้าใจให้ดีเดี๋ยวไปโทษว่าทําบุญแล้วไม่ได้บุญ เพราะอะไรอาจจะทําบุญผิดวิธีเนี่ยนะทำบุญผิดวิธีก็ได้เพราะนั่นการช่วยเหลือคนอื่นนั้นขอให้ศึกษาให้ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราเดือดร้อนแน่เนี่ยนะการการช่วยเหลือโดยเฉพาะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นต้องช่วยเหลือให้เป็นถ้าช่วยเหลือไม่เป็นเนี่ยเพียงแค่เขาเลือดอาบแล้วก็เอามือเปล่าๆที่มีแผลไปจับใครจะรู้เนอะว่าเลือดนั้นบริสุทธิ์ขนาดไหนเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าโดยเฉพาะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเห็นเขาเลือดท่วมไปเลยว่าเข้าไปใกล้นั้นอนะ เพราะว่าคนที่ค่าตัวตายบางทีอาจจะมีเชื้อที่ไม่ค่อยดีอยู่ในเส้นในเม็ดเลือดก็ต้องระวังให้ดีเป็นต้นนั้นการช่วยเหลือผู้อื่นต้องเข้าใจวิธีการเนี่ยนะนะวิธีการที่จะช่วยว่าช่วยอย่างไรไม่เบียดเบียนตนช่วยอย่างไรไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะนะทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ทั้งคู่เพราะนั้นการช่วยเหลือทั้งหลายก็ต้องช่วยด้วยปัญญาไม่ใช่ช่วยแบบคนไร้ปัญญาก็มี บางคนที่เห็นคนอื่นเขาตกทุกข์นะเขาามาโบกรถก็เลยจอดรถให้รับไปรับไอ้คนที่เพิ่งไปกระตกทองมาเขาก็เลยจับเขาเรียก ว, ว่าสมรู้ร่วมคิดนะนะเลยเสร็จเลยนั้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือไม่ว่าจะช่วยเหลือไม่ว่าด้านการพยาบาลดูแลรักษาช่วยเหลือผู้ตกรถตกราเป็นต้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีปัญญาประกอบทั้งนั้นเลยไม่อย่างนั้นก็เสียใจในภายหลังเนนะเพราะะผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นหรือทําสังคมสงเคราะห์ ก็ต้องให้มีปัญญาประกอบเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้ที่มีปัญญาไม่เบียดเบียนต น, นนะจะทําบุญใดๆก็ไม่เบียดเบียนตนและก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในความเสื่อมเช่นเสื่อมจากญาติเสื่อมจากโภกขสมบัติเสื่อมจากศีลเสื่อมจากทิฏฐิเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ช่วยบรรเทาความโศกเป็นผู้ตั้งอยู่ในสภาพที่จะช่วยเหลือ นั่นแล้วก็ถือว่าเป็นภาระที่จะช่วยเหลือตามที่ตัวเองตามความสามารถนะครับเรียกว่าช่วยตามสติช่วยตามกําลังช่วยตามความสามารถข่มผู้ที่ควรข่มโดยถูกทำเพื่อให้เขาพ้นจากอากุศลแล้วตั้งอยู่ในกุศลไม่ใช่ว่าเออโ อ, อหอ์หมกไปหมดกับทุกเรื่องไม่ใช่แต่ข่มคนที่ควรขม่มเห็นคนทําเรื่องอกุศลใดๆก็ข่มเขา ข่มว่ามันมีโทษตำเนกว่ามันมีโทษแล้วชักชวนเกื้อกูลให้เขาดำรงมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายยกย่องผู้ที่ควรยกย่องโดยธรรมนะนะว่า เ, เขาเนี่ยควรยกย่องตรงไหนเขามีคุณงามความดีส่วนไหนที่ต้องยกย่องก็มีการยกย่องพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลขม่มคนที่ควรขม่มยกย่องคนที่ควรยกย่อง พระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ทําแก่พวกเธอทั้งหลายคือพระองค์จะไม่ทําแก่สาวกเหมือนนายช่างปั้นหม้อที่ประคองภาชนะดินดิบๆคือหม้อดินที่เขาปั้นแบบอย่างดิบๆเนี่ยถ้า จ, จับแรงเบี้ยวเลยถ้าจับแรงแล้วเบี้ยวเลยบิดเลยฉันใดพระองค์จะไม่ทํากับสาวกฉันนั้นพระองค์จะคมแล้วขมอีกจะขนาบแล้วขนาบอีกเป็นต้น ผู้ใดมีศีลเป็นสาระมีสมาธิวิปัสนามีมรรคผลเป็นสาระจะดํารงมั่นอยู่ในาศาสนานี้ได้ถ้าผู้ใดไม่มีสาระก็เรียกว่าทางใครก็ทางใครว่างนนั้นนะเพราะว่าถ้าอริยะไม่อยู่ร่วมกับปุตุชนธาตรหันแปลว่าแปลว่ า, วาห่างจากคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะนพระพุทธเจ้านั้นจะมีการข่มคนที่สมควรแก่การข่มโดยเฉพาะในพระวินัยนี้เห็นชัดเลย น, นะคือ พระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพรันเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังข่มคนที่ควรขม่มทําไมเป็นพระโพธิสัตว์จะไม่ข่มเราออย่างเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งกระทําผิดพระองก็บอกว่าดูก่อนโมฆาบุรุษคือบุรุษที่ว่างเปล่าไม่มีมรรคผลไม่มีสาระอะไรอยู่ในใจเลยเนี่ยนะการกระทําของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมะนะัมมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทํา เสร็จแล้วก็ที่มาของการบัญญัติสิกขาบททั้งหลายโดยมากปารพเช่นนี้เนี่ยนะปรารพเช่นนี้ว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรใช้ไม่ได้ไม่ใช่กิจของสมณะฉนัยการกระทําของเธอเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่ได้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสอย่างยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของเธอย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชุมชนที่ เรื่อมสายแล้วเนี่ยนะก็จะมีการตาหนิส่วนบุคคลที่ควรยกย่องอ่าเช่นยกย่องพระสารีบุตรแบาพระสารีบุตรมีความสามารถในการแสดงธรรมคล้ายพระพุทธเจ้าเป็นต้นฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะตาหนิสิ่งที่ควรติควรตาหนิยกย่องสิ่งที่ควรยกย่องคือแบบห ย, ยาบๆก็คือ ติเตียนอากุศลกรรมบททั้งหลายยกย่องกุศลกรรมบททั้งหลายสันเสริญบุญญากิริยาวัตถุทั้งหลายติเตียนบาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็เท่ากับว่าติผู้ที่ประพฤติอากุศลตำแหนิคนที่ล่วงบาปล่วงอกุศลสันเสริญผู้ที่ประกอบด้วยกุศลตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมใดที่ทําได้ยากอย่างยิ่งกว้างขวางที่สุดมีอนุภาพเป็นอจินไตย อันจะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัรพสัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวอันพระมหาโพธิสัตว์แต่เก่าก่อนได้ประพฤติมาแล้วคือพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์อย่างเช่นพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยนะก่อนที่พระองค์มาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนตันถังกรณ์เมทางกรสารนังกรทีปังกรคนธัญะมังคละสุมาณะอนะอโนมทัศนีเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ พระองค์ก่อนหรือเรียกว่าพระกัสสปะฉันใดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหล่านั้นเนี่ยท่านทำบุญเนี่ยนะบุญทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยแต่และอย่างทำได้ยากแล้วก็ทำอย่างกว้างขวางไม่มีที่สุดเป็นอนุภาพที่เรียกว่าอาจินไตยแปลว่าไม่มีใครคิดได้กว้างขวางคานวณได้หมด น, นะเหมือนกับคิดถึงอากาศเนี่ยนะใครจะไปคิดถึงอากาศได้หมดฉันใดพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์กระทำฉันนั้น โพธิสมภารการสะสมบุญเพื่อการตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจึงได้ถึงความแก่กล้าโดยชอบด้วยกายกรรมใดวจีกรรมใดมโนกรรมใดฟังกรรมนั้นแล้วก็ไม่หวัสะดุลงคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้ที่มีอัธยาศัยเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยกันเนี่ยพอฟังการกระทําของโพธิสัตว์ทุกองค์ที่พระโพธิสัตว์ก่อนก่อนได้ทํามา ฟังแล้วก็ไม่สะดุ้งว่าพระมหาบุรุษเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าเช่นว่าพระพุทธเจ้าพระดำวาัคษปะก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทํากรรมใดจนได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนชาตินั้นท่านเป็นมนุษย์ท่านทำได้เอาเราก็มนุษย์ทำไมเราทำไม่ได้คือฟังเรื่องของพระโพธิสัตว์ก่อนก่อนทาแล้วตัวเองก็บอกว่าก็ทาได้ทาไมจะทาไม่ได้เป็นต้นนะนะ ก็ไม่ไม่มีความหวาดเสดุง้งไม่มีความตกใจซึ่งแต่ถ้าคนที่ไม่มีอัจฉริยะสายเป็นพระโพธิสัตว์บอกว่าฟังแล้วตกใจที่โยมคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกโอ๊ยบกถ้าคิดว่าน้อมตัวเองไปเป็นนะฟังแล้วตกใจเลยเขบอกสะดุ้งเลยก็ว่าสั่นเลยว่ากันทําใจไม่ได้เพราะามันทําได้ยากพระนี้บอกว่าแค่คนคนผ่านคนทั่ ว, วไปฟังแล้วก็สะดุ้งแล้วเพราะว่ามีอนุภาพเป็นอจินไตที่คนธรรมดาทั้งหลายคิดตามไม่ได้